นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทาง p e ียวธรรมะคอทุกสัปดาห์เราก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีผู้ดำเนินรายการคือธรรมาพระภยบูลอภิปุโนแลวก็คุณหมอนทัทพง์ครับสวัสดีครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพง์กะหนกวิรุณครับเรามาพบกันเช่นเคยทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้เป็นตอนที่ยี่ิบครับ29แล้วครับแล้วก็ในคราวนี้ก็คิดว่ามีเรื่องที่จะ ได้บอกกับท่านผู้ฟังนี้ว่าคือตัวอาตมาเองเนี่ยรู้สึกเห็นชาวโลกเราก็รู้สึกว่าคือถ้าใครยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยเราก็สงสารน่ะใช่ครับถ้าใครยังมีความทุกข์อย่างอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ตรัสรูษษ้เสร็จใหม่ๆนะหมอรัตะพงศ์ครันเห็นใครก็สงสารนะสัตว์โลกถูกปราศรษบางหน้าแล้วนะนะเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขบูชาสิ่งต่างๆไม่ถูกต้องอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ใคลายความทุกข์ก็เลยก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้อยู่มั้งเนาะครับครับคือตอนนี้เรื่องเรื่องประเด็นของชาวโลกเนี่ยอย่างเอาเอาในเมืองไทยก่อนมีเอ่อเป็นข่าวใหญ่เลยเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพ บ, บกตกซ้ำแล้วซ้ำอีกสามเครื่องคนตายไปทั้งหมดเกือบอลำแรกห้าลำที่สองเก้า เป็นสิบสี่ลำที่สามอีกสามเป็นสิบเจ็ดแล้วก็บานเจ็ดสหัสอีกหนึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกวันเลยครับท่านใน<อ>ช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นที่เศร้าสลดหดภูในในส่วนของคนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ประเทศนอร์เวนอร์เวซึ่งเป็นประเทศที่สงบมากเลยนะครับมีการมีชายคลั่งชาติ เขาบอกว่าเป็นพวกขวาจัดเนี่ยเอาปืนกราดยิงนักเรียนที่มาเข้าค่ายตายไปเกือบเก้าสิบศพแล้วชายคนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกรารเนี่ยประมาณสองสมชั่วโมงก็ไปวางระเบิดหน้ารัฐสภามีคนตายมีคนบาดเจ็บมากมายคนก็ยิ่งเศร้าอีกเฮะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นในโลกเนาะเกิดเป็นอะไรเนับแล้วยังมีเหตุการณ์อะไรที่รถไฟชนกันอีก ที่ทรทจริ ง, รงใช่ครับโ oh oh. อ้โหความเร็วสูงชนกันอย่างนี้กลายเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์ก่อขึ้นเองเนาะครับครับแต่ว่าเมื่อก่อนๆช่วงก่อนๆ น, นี่ก็มีสึนามิเนาะครับภัยพิบัติจากธรรมชาตินี่มั น, ม, นมันไม่แน่จริงๆพระเจ้าเตือนไว้ในอนาคตภัยที่ยังไม่เกิดแต่ว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ากรณีของความตายเนี่ยเวลาที่อย่างคนพิกษุอยู่ในป่าเนี่ยธรรมกายอยู่ในป่าเนี่ยนะ ให้ระลึกไว้เสมอเลยว่าเวลาเดินไปเนี่ยผ่านกลางวันมากลางคืนเนี่ยช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนจากกลางวันไปกลางคืนหรือกลางคืนไปกลางวันเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่มีอันตรายก็คือสัตว์อะไรต่างก็จะออกมาบางที่ตะขับกัดบ้างเดินหกล้มบ้างอาหารไม่ย่อยบ้างพวกนี้ยการลกิริยาจะมีกับเราได้ ต, ต้องรีบทําความเพียรก่อนคือหมายความว่าเราควรจะต้องเป็นบุคคลที่เมื่อภัยเหล่านั้นมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ พุทธิชาตาใช้คําว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยอย่างกรณีอย่างเงี้ยคนตายนะหมอรัตพงศ์เขามีความทุกข์อะไรอ่หมายความว่าไอ้คนคนเป็นอ่ะเป็นทุกข์ต่างหากนะคนเป็นเนี่ยคุณมาดูข่าวไหนใครเครียดคนตายนี่เขาไปแล้วนะคนที่เล่นดนเป็นคนเป็นนะที่ออกว่าแต่จริงๆแล้วคนตายมีความทุกข์อะไรของคนตายเองไม่ได้เกี่ยวกับคนเป็นอย่างชาวบ้านเขาไปดูข่าวโอ้ชาวสลตคนนี้ก็ตายคนนั้นก็ตาย ความเศร้าสลดเนี่ยเป็นทุกข์ที่เรียกว่าไอ้บางคนก็เศร้าบางคนก็ไม่เศร้าใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเศร้าก็ยังมีบางส่วนที่ไม่เศร้าที่เศร้าบ้างไม่เศร้าบ้างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทุกข์ขาจรทุกข์เรียกว่าความประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจอะ่ะก็เลยเป็นความทุกข์แต่ที่พระเจ้าบอกความตายเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์ยังไ ง, งสําหรับคนตายก็คือว่า คนตายเนี่ยจะเป็นทุกข์ในกรณีอย่างนี้ไงมาลพงษ์อย่า ง, าวางเวลาที่เราจะมีความสุขอยู่ในชีวิตทั้งหมดเนี่ยพอตายปุ๊บนะหมดเลยนะไม่ได้เลยอะไรความสุขอะไรที่คุณมีมีความสุขเพราะฟังเพลงดูหนังมีลูกเล่นกับลูกไปมีหน้าที่การงานมีเงินความสุขพวกนี้หมดไปทันทีนะถ้ามีความตายหายวับไปกับตายหายทันทีนะจะขอต่อรองสักครึ่งวันไม่ได้ อย่างนักโทษถูกจับตายอมะมาแล้วทพงเขาจะพูดสักคําสองคําก็ไม่มีนะคุณหมดสิทธิ์ไปสารเลยจบเอวังเพราตายแล้วตายแล้วหมดสิทธิ์พูดตายแล้วหมดสิทธิ์มีความสุขทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตายจึงเป็นทุกข์มันมันไม่เหมือนกับว่าเราไปเรียนเมืองนอกอย่างเงี้ยเรียนเมืองนอกห้าปีหกปีบางคนไปเรียนสิบปีกลับมายังมีวันได้เจอกันสิบปีใช่ป่ะแต่ตายนี่คือจบเลยคุณหมดสิทธิ์เจอเอ่ ไม่มีทางเจอเลยก็มีกระดูกเหลือไว้หน่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความทุกข์พะคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกต้องความตายแล้วก็เลยจะจะคนที่อยู่ก็จะเป็นมีทุกข์คนที่ไปแล้วเขาก็ทุกข์จนพูดไม่ออกอะคิดดูก็แล้วกันพูดไม่ได้แล้วอ่ะนะเพราะว่าไม่ได้เจอความสุขที่ผ่านมาแล้วอย่างโยมแม่จะมาอก่อนที่จะเสียครับตอนนั้นสักณนาะสักพักหนึ่งแล้วล่ะ เห็นพูดบอกว่าได้มีการวางแผนว่าจะไปเขาค้ออย่างเงี้ยนะไปเที่ยวใช่ไหมครับไปเที่ยวเขาค้อตอนป่วยอยู่ก็ยังมีการพูดถึงเป็นความสุขที่คนตายจะต้องได้รับเป็นความทุกข์ที่คนตายจะต้องได้รับคือไม่สามารถไปเขาค้อได้อีกแล้วไม่มีไปร้องเพลงได้อีกแล้วไม่มีไปเขาค้ออะไรที่อยากกินกินไม่ได้แล้วจบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความทุกข์ของคนตายโดยตรงเวลาคนที่จะตายเนี่ยก็จะมีความทุกข์อย่างนี้ เพราะฉะนนถ้าจิตยังมีการยึดเกี่ยวเกาะเกี่ยวว่าเฮ้ยฉันยังคิดถึงเรื่องการมาคุณอยู่นะคิดถึงเรื่องการาาปฏิบัติเปลี่ยนเบียนคนนี้ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไปที่ไม่ดีครนะก็จะมาอยู่บนเบียนอยู่เท่านั้นโลภบายนี่แหละครับอ่าไปที่ไม่ดีอย่างเช่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีนะพระเพิ่งย้อมผ้าเสร็จใหม่ๆครไหม้พระพระนี่มันก็ย้อมยามกันน ะ, ะย้อมเสร็จใหม่ๆก็ยังมีความกำหนัดในผ้าอยู่ปรากฏ ตอนเช้าฉันอาหารมากไปหน่อยท้องอืดตายใช่ป่ะเลยเกิด<ะ>เป็นเลนเลยเกิดเป็นเลนมาเก่ะอยู่ที่ผ้าจีบอยของตัวเองออือเพราะว่าจิตผูกพันกับผ้าผืนน้นใช่<ม>ก็เลยอย่างนี้ก็มีนะแต่ถ้าเราสามารถปล่อยวางได้นะปล่อยวางเช่นว่าเออกรารอะไรต่างต่างเราไม่เอาละกรารที่ละเอียดกว่าในสวรรค์เราก็คงมีอยู่นะระลึกถึงสิ่งของตัวเองแล้วนะก็ไปที่ดีได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีก็ไปที่ดีได้อย่างเงี้ย ที่ดีนี่หมายถึงที่ดีนี่ก็คือหมายความว่าตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปมนุษย์าเทวดาพรหมพวกนี้นะเป็นภพที่ดีครับแล้วก็การที่ภัยพิบัติเหล่านี้จะเป็นเครื่องเตือนสติเราอย่างดีเลยล่ะเหมือนกับว่าม้าอาชนายที่พระเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้นะที่เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในสมัยของสัมมาวายมะ ถ้าใครก็ตามเนี่ยเห็นภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยแล้วมาเรื้อรได้ว่าโอ้ยตายละฉันนี่จะต้องรีบทําความเพียรละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่แน่เลยก็เลยรีบทําความเพียรจนเห็นทำที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้ใช่ไหมเวลาภัยพิบัติเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราก็ไม่ทุกข์อย่างเงี้ยการทําอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นเหมือนม้าอาชนา伊ประเภทที่ เ, เห็นก็เรียกว่าประตักเนี่ยมาจ่ออยู่ที่หนังนะก็เคลื่อนที่ไปละนะทุกฝึกมาอย่างดี หรือว่าถ้ายังไม่รู้สึกตัวใช่ไหมก็ต้องไปพิบัติเหล่านั้นอาจจะเป็นญาติตัวเองคนที่เรารู้จักใช่ไหมเพราะวมันจะมียิ่งกระเทือนใจมากกว่าอย่างเวลาอออย่างเวลาเราไปงานศพอย่างเงี้ยเออเราก็ผ่านวัดอยู่ทุกวันเงานศพอยู่ทุกวันไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าคนเหล่านั้นเราไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นญาติเราเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราเคารพเนี่ย วูบมันจะสะเทือนใจมากสเใจยิ่งยิ่งใกล้ตัวมากยิ่งสะเทือนใจมากใช่ไหมครับแล้วพอเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วฉันต้องรีบทําความเพียรเพื่อให้พ้นจากทุกเหล่านี้แล้วไปทําความเพียร น, นะรให้เห็นธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปกุญจะเป็นมาอาชนายแบบที่สามนั่นคือแบบที่ออปตาตากเนี่ยทิ่มลงไปทะลุหนังเข้าไปละทำเนื้อละอย่างนี้นะแล้วถ้ายังไม่เห็นมาถ้ายังไม่เห็นแล้วเกิดกรณีที่ว่าตัวเองเนี่ยได้รับ ทุกเว ท, ทานานี้เองใช่ไหมพพุทธเจ้าใช้คําว่าได้รับทุกเวทานาที่กล้าแข็งเจ็บจาดเป็ดร้อนจนกระทั่งแทบจะนําไปเสียซึ่งชีวิตแต่ยังไม่ตายหรอกนะเกือ บ, บๆเฉยๆอย่างคนเป็นมะเร็งขั้นสอย่างเงี้ย ค, คนที่ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองเนี่ยยังคิดดูตอนทหารตอนที่ใกล้จะตายตอนที่เครื่องบินกําลังเขาเรียกเครืองบินกำลังดิ่งๆๆแล้วอย่างเงี้ย หรืออาจจะตกแล้วแต่ยังไม่ตายทันทีอย่างเงี้ยก็มีตอนนั้นเขาได้รับทุกขเวทนากลากแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนมากนะแล้วถ้าเขาได้รับการฝึกจิตใช่ไหมจังหวะนั้นเนี่ยเขาสามารถบรรลุเป็นพระอาราันได้เลยอืในกรณีที่บถ้าเขาปล่อยวางได้เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนปล่อยวางแล้วก็จะเป็นมรอาชารย์ประเภทที่สี่คือปัตติกเนี่ยทิมเข้าไปทะลุหนังทะลุเนื้อจนเจาะ อ, อยู่ที่กระดูก เพราะเะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะช่วยเตือนสติเราต่างหากนะบางคนก็จะถามว่าเอ๊ะท่านจะต้องเตรียมการยังไงต้องไปยุ่งไปที่ไหนไปซื้อที่ที่แถวนน้นหรือยังเนะี่เดี๋ยวนี้ที่ราคาขึ้นแรงต่างาานานาใช่ครับที่สูงนาครับ <c oughs> ก็ต้องบอกอย่างนี้บอกว่าการเตรียมการอะไรต่างๆ น, นานาก็ทําได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ า, าสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็คือวันนี้เราทําให้ดีที่สุดเรื่องของจิตใจใช่ วันโลกแตกเนี่ยไม่สําคัญเท่าวินาทีนี้นะเพราะว่าวินาทีนี้เนี่ยถ้าเราทําดีนะเราทําถูกนะจิตเราสูงจิตเราเป็นหนึ่งเนี่ยนะเ อ, อมันมันดีนพร้ อ, อะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งก็เจริญนะรแต่ถ้าจิตเราประมาทไม่คิดเป็นเรื่องอกุศลแต่ให้มีอายุร้อยปีจิตเป็นอย่างนี้หมดแนละ้วก็สู้คนที่อยู่คืนเดียวเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่จิตสงบไม่ได้ ครับอชัดเจนเลยนะครับเปรียบเทียบสุภาษิตนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรีบเร่งทำความเพียรอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยผูอ้อีกครั้งหนึ่งอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยครับครับคือการปฏิบัติเนี่ยที่สุดแล้วก็คือเข้าถึงความไม่ตายใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ <No. S 2> ความไม่ตายก็คือหมายความว่าความตายเนี่ยมาทําอะไรเราไม่ได้จิตเราจะ หลุดพ้นจากความตายใช่ไหมครับทีนี้ก็จะคิดว่าจะสอดคล้องกับคำถามของคุณมังคานุคาที่มีมาในเพียวธรรมะ c อมตอนที่28แล้วเนาะว่ามังคานุคามีคำถามมาใช่บุรุษอาชนัยบุรุษอชนัยใช่ครับคำถามที่สองขออนุญาตอ่านเลยดีไหมครับได้ได้แต่ยาวนิดนึงคือเป็นผู้ทวชนะบอก ภิสุกทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในกรณีนี้ได้ยินว่าในบ้านหรือนิคมโน้นมีหญิงหรือชายพูดถึงความทุกข์หรือทำการะกิริยาดังนี้แล้วเขาก็สังเวชถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นครั้นสลดใจแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายมีตนส่งไปในแนวธรรมะย่อมทำให้แจ้งซึ่งปรมัตสั จ, จด้วยนามกาย และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเราก่าวบุรุษอาชาไนาผู้เจริญนี้ว่ามีอุปมาเหมือนม้าอาชาไนาตัวเจริญที่พอเห็นเงาของประตักก็สังเวชถึงความสนดใจฉะนั้นคำถามคือว่าพระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของคำว่าทำ ก, า, ก า, าละกิริยากาละกิริยาคือตายนัน่นเองอ๋อคือตายเลยนะตายตายไปแล้วเกือบตายเนี่ยกาลกิริยา ครับแล้วก็ปรมาทัศนสัจจะก็คืออบรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นเรียสัจสี่แจ้งด้วยปัญญาครับจริงๆตรงนี้เขาเขาคำว่านามกายนี่นะถ้าดูในบาลียไม่มีหรอวะออเห็นแจ้งปรมาทัศน์สัจจะด้วยนามกายเนี่ยคำว่านามกายเนี่ยไม่มีในบาลีก็คือว่าพูดแค่ว่ายอพูดแค่ว่าเห็นแจ้งสัจจะอันสูงสุดว่างนั้นเถอะครับ ปะตักในที่นี้ก็คือคำคาสั่งของบุุษที่ฝึกม้าคนที่ฝึกม้าครับซึ่งเปรียบเหมือนกับอะไรเปรีบเหมือนกับเบธนาไงครับเราแค่คนเห็นเงาของปะตักเนี่ยก็วิ่งละม้าเห็นเงาของปะตักวิ่งเลยเเพราะอะไรกลัวปะตักกลัวแต่ม้าบางตัวเห็นเงาไม่วิ่งดื้อใช่ไหมอ้ากระแทกมันหน่อยกระแทกแล้วมันยังไม่ปปกระแทกลึกๆหน่อย ลึกๆยังไม่ไปก็ลึกๆลงไปอีกต้องจิ้มเนื้อเลยจะตายอ่าเพราะฉะนั้นคุณถูกต้องความทุกข์ใช่ไหมอ่ะแหมบางคนไปห้องน้ําทุกเช้าทุกเย็นไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองทุกข์บางคนหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทุกวันทุกวันไม่รู้ตัวเองทุกข์ไม่ใช่ไหมเอาละ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นโรคไงเดี๋ต่อเป็นเป็นโรคแล้วก็มีคนที่เรารู้จักเสียตายไปนะแม่ลูกคนที่ใกล้ตัวต่อไปไม่เห็นอีกใช่ไหมเดี๋ยวตัวเอง ค, คุณต้องตายสักวันหนึ่ง เพ้นถ้าเราสามารถทําให้ถึงปรมัตถสัจจะได้เรียกว่าเป็นบุตรอาชาไน응คื อ, อทั้งหมด4ประเภทนี้เนี่ยเป็นบุตรอาชาไหนหมดนะ <แก S 2> ตรงที่ว่าเขาทําให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจจะได้ แ, แต่ว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนอาชาไนนะแกแกมาชาไนนี่ยังต้องถูกประตะก็มีไม่ถูกประตะก็มีแต่ว่าสมบูรณ์ด้วยความเป็นอาชาไนของมันหมายความว่าสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ด้วยความเร็วด้วยกัน ดุสมบัติต่างๆด้วยสีนนี่คือความเป็นอาชนายของมันะแต่ว่าบางทีมันอาจจะต้องถูกประตักบ้างก็มีพวกม้ากระจอกม้าแกลบพวกนี้เราไม่พูดถึงเลยนะครับนะพี่เจ้าไม่แตะต้องเลยเพราะว่าไม่ได้เรื่องก็ใช้งานได้บ้างนิดนิดหน่อยๆอย่างม้าแกลบอย่างเงี้ยใครเคยดูเรื่องผู้ใหญ่ลีบ้างเนาะสมัยใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินผู้ใหญ่ลีอะไรอะผู้ใหญ่ลีกำลังมาเออแล้วก็นั่งม้ามานะท้องแอนมาเลยนะ ม้าเนี่ยคือม้าแกลบนี่คือม้าที่พอจะใช้งานได้บ้างครับทีนี้คําถามต่อไปของคุณมารคานุคาครับก็มีอีกพระสูตรหนึ่งนะครับบอกว่าพิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าก็พิกษุน์ทั้งหลายพิสูจ์ในธรรมวิในนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผธภกด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่มีจิตยึดถือเอา ทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดวงเล็บโดยนิมิตหรื อ, อและไม่ถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆโดยอนุกพยัญชนะกุศลกรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมานต์มักไหลเป็นตามพิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เราใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษา และถึงการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุกทั้งหลายภิกษุกเป็นผู้ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลืมนะครับอ่คุณมัคคันธาถามว่าการไม่มีจิตยึดถือเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและไม่ถือโดยการแยกเป็นส่วนๆช่วยพระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายครับอการไม่มีจิตที่ คือเอารูปแบบรวบถือเอาทั้งหมดก็คือหมายความว่าดูโดยรวมแล้วมันสวยอ่ะหนึ่งก่อนว่าดูโดยรวมแล้วมันสวยออย่างเช่นว่ารูปร่างของใครสักคนในคนหนึ่งจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยแม้คนนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้ดูโดยรวมนะนะโดยโดยโดยรวมๆแล้วี่ยสวยแต่บางคนเนี่ยดูรวมๆสวยแต่พอมาแยกดูเฉพาะส่วนเช่นดูที่จมูกดูที่หู้กลับไม่สวยแต่บางคนดูรวมๆไม่สวย แต่มาแยกดูส่วนๆวนเช่นผิวสวยเล็บสวยมือสวยแต่ดูรวมๆแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นการแยกถือเอาโดยนิมิตเนี่ยหมายความว่ า, ารวมทั้งหมดอนุพยัญชนะคือแยกเป็นส่วนๆนอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยแหมดูสีสีสวยเฟอร์นิเจอร์ก็ดีนะพัดลมก็มีแอร์ก็ติดตั้งแต่เมื่อดูรวมๆแล้วมันวางตำแหน่งไม่ถูกมันดูไม่สวยอังนั้นนะก็จะมีลักษณะนี้ เพราะนั้นเราจะไม่ยึดถือทั้งโดยทั้งสองแง่อย่างเช่นว่าผู้หญิงบางคนหรือผู้ชายบางคนบอกว่าผมสวยใช่ไหมผมสวยเพราะว่าความสลวยอะไรต่างๆของมันใช่ไหมตัดผมออกมาใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวเป็นไงสวยไหมโอ้ไม่สวยเลยครับจะไปใครจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเส้นผมได้ใช่ไหมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เห็นโดยความที่เป็นของไม่สวยงามโดยเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามก็คือแยกมาดูเป็นส่วนเลย อย่าตอนที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปชอบพระอนุนอย่างเงี้ยครับพระเจก็ถามว่าชอบพระอนตุตรงไหนผมเหรอผมไม่มีคนทุกบวชทุกเดือนไหนผิวเหรอไหนหลอกออมาไหนผิววางแห้งๆใครจะเอาอย่างนี้นะ<ม>พิจร า, ร, าจรณาไปพิจารณาไปะชอบคนนี้เพราะอะไรบางคนบอกว่าชอบพระสวดทรงองค์เอวนะหรือว่าความล่ําสานของบุคคล น, นี้่มซึ่งมันเป็นการดูโดย ร, รวมไง<อ>ไม่ได้แยกเป็นส่วนๆอย่างนี้นะมันคิดว่าคงเข้าใจบุคคลที่เรียกว่าปิดกั้นอินทรีย์ นั่นคือคนที่สามารถไม่ให้อคติศนธรรมเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมารเนี่ยมารรัตตมงค์มันไม่ได้ช่องเอาอันหนึ่งมันก็จะเอาช่องอีกทาอันหนึ่งใช่ครับมันไม่ได้ทางตาหรือทางหูไม่เอาทางหูแต่มัเอาทางลิ้นจมูกกายใจเอาสักทางใดทางหนึ่งมันจ้องจะเอาเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มารเท่านั้นยังมีเสนาของมันด้วยอื ม, มารมีเสนามากเลยกำดักเยอะว่างั้นเถอะใช่ครับกิเลสไวมากนะครับอือันนี้ ข้อนี้คล้ายๆกับการพิจารณาอสุภะหรือเปล่าครับกันอ๋ออันนี้จะเหนือไปกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอสุภะนี่คือความแค่ไม่สวยงามแต่นี้เป็นของทุกเรื่องเลยที่เป็นกุศลอกุศลเอหรือแม้แต่ความโกรธด้วยนะความโกรธความเมตตาก็จะอยู่ในนี้หมด่สมมติเราเห็นได้ยินคนด่าเราอย่างเงี้ยปุ๊บขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่าคุณจะเจริญเมตตายังไงไม่ให้จิตเรามีพยาบาทอย่างเงี้นะครับอรวมถึง เรื่องของโมหะด้วยกา ร, รที่ไม่ให้จิตมีโยนิโสมนัสิการอยู่ตลอดเวลาก็ต้องปิดการอินทรีคนที่ปิดการอินทรีเนี่ยจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะได้เป็นอาหา ร, รของการละกันว่างเถอะครับมแมลึกซึ้งเลยนะครับคุณมาคานลูกค้านี่เยี่ยมเลยนะผมว่าถามได้ลึกเลย เดีนี้มีคำถามมีคำถามหนึ่งของคุณมัคคานุกาที่สืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วครับมที่เรา้พูดถึงเรื่องการใช้ทรัพย์ใช้จ่ายเงินใช่ใช่ครับอยู่ข้างบนก็มีคุณมัคคานุกาถามถึงว่าประเด็นข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการใช้ทรัพย์เนี่ยข้อที่สามก็คือว่าใช้ทรัพย์ในการทำเพลีกรรมห้าอย่างใช่ไหมหนึ่งในห้าอย่างนั้นเนี่ยคือพระเจ้าตรัสว่าเทวตาปลีคือการบูชาเทวดาครับใช้เงิน เพื่อบูชาเทวดาเนี่ยนะทำไมต้องทํางานด้วยนี่คือคําถามของคุลมากค่ะ<า>หมอรัตพงศ์เห็นว่าไงในประเด็นนี้เออทําไมต้องบูชาเทวดาด้วยครับใช่ใชอื่เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าจะมีการอาจจะมีการเอื้อการสงเคราะห์กันโดยโดยเหมือนกับว่าเราเราเราไม่คื อ, องไงไคือเอามีความคิดว่าอย่างนี้นะคะที่บูะ้าพูดตรงนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นสพันย์อยู่ครับหมายความว่าการที่จะต้องอ่า บอกหมดเน่ะคือกา ร, ร บ, บูชาใดมีผลนะความเชื่อนี้เนี่ยเป็นสมาธิิอนะืการยันอันไหนนนะั้ที่ทําแล้วมีเชื่อว่ามีผลเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสมาธิิใช่ไหมเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพย์ถ้าบูชาเทวดาถามว่าคุณบูชาเทวดานี่คุณทํำยังไง่คุณไปตั้งสามพระภูมิหน้าบ้านหรอรหรือว่าคุณตั้งศาลเจ้าในบ้านแต่าที่คุณบูชาเขาคุณบูชาพราะอะไรต้องถามอย่างนี้ นับถึงนับถึงใครอ่ะผู้ผู้วิเศษอย่างเงี้ยนะครับอ่านั้นต้องถามตัวเองว่าเป็นศิลพันต์ตาบรมาหรือเปล่าหมายความว่าถามว่าเราอย่างสมมุติคุณกลับบ้านไปอย่างเงี้ยหรือคุณไปที่ทํางานอย่างเงี้ยยกมือไหว้หัวหนั่งางั้นไหมอ่าเจอลูกค้ายกมือไหว้ลูกค้าไหมกลับมาบ้านยกมือไหว้พ่อแม่ไหมอ่าทำไมทํำก็เพราะว่าเออเราก็แสดงความเคารพกันตามฐานะสูงต่ําถูกป่ะหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรแสดงความเคารพเอาแล้วถามว่า คุณบูชาพ่อแม่เนี่ยก็เพราะว่าด้วยคุณธรรมที่ท่านมีคือความอุปการะผู้อื่นก่อนถูกปะใช่ครับออหรือว่าอย่างคุณบูชาเอายกตัว อ, อย่างเลยเจ esus คริสส์อย่างเงี้ยเยซูค ร, คริสส์นี่เราควรอับถือบูชาเขาเพราะว่าการที่เจ esus คริสส์เนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตามากในขณะชาวยิวชาวโรมันเนี่ยทิ่มแทงอยู่ใช่ไหมก็ยังมีความเมตตาเออเรารู้ว่าเราบูชาเขาด้วยเหตุอะไรถึงควรจะเป็นสิ่งที่ดี ่ไม่ใช่ว่าอย่างสมมุติคุณกราบพระสามครั้งเพ่าะ อ, อะไรคนหนึ่งเขากราบกันมาเราก็กราบตามเอาไปถามเขาสิเขากราบพราะอะไรเอาฉันคนเหนึ่งคนอื่นเขาก็กราบมาฉันก็กราบตามเอาไปถามคนนั้นอีกคนนั้นก็บอกว่ารู้สึกว่าคนนี้จะมีศีลในมีศีลเราก็ควรกราบไหว้ถามอีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอเอาคนนี้มีสมาธิเอามีสมาธิเราก็ควรกราบไหว้เออด้วยเหตุผลอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าฟังแล้วเข้าท่าไม่ใช่ว่าทำตามตามกันมานึกออกไปเพราะฉะนั้นการบูชาตรงเนี้ก็ต้อง ไปดูพระสูตรอื่นก็จะสอดคล้องกันว่าการบูชาสิ่งใดๆเนี่ยคุณต้องบูชาด้วยเหตุผลที่สมควรนะฮะแล้วการบูชาที่สูงสุดเนี่ยการใช้ทรัพย์ในการบูชาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมการถวายทานก็ตามการทําบุญอุทิศซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรทำํำการบูชาที่สูงสุดเนี่ยคือการบูชาด้วยการเอาคุณธรรมของผู้นั้นมาส่งไว้ในใจนะ อ, อย่างเช่นว่าสมมติเทวดาองค์นี้เรารู้ว่าแหมบุคคลผู้นี้มีความ กตัญญูอย่างเงี้ยหรือว่ามีความซื่อสัตย์อย่างเงี้ย ค, คุณบูชาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเครื่องเส้นไหว้ไปวางอันนี้ก็บูชาได้ระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันคุณบูชาเสร็จแล้วคุณก็ไปด่าคนนู้นว่าคนนี้พูดรับหลังคนนั้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องเลยแทนที่จริงเราจะต้องเอาคุณธรรมของบุคคลที่เราบูชานั้นมาไว้ในใจด้วยมา<ช>ปฏิบัติจริ ง, รงๆเย้ย<ช>จึงเรียกว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดคุณไป กราบพระสามผลนั่งสมาธิสักสิบนาทียี่สินาทีลงมาถึงกงล่างเห็นลูกด่าเห็นไปที่ทํางานขเขาขับรถปาดหน้าหน่อยว่านะใครมาชมก็เหลืองใครมาด่าก็โกรธมันไม่ได้เรื่องหรือว่าไปเห็นไปผิดลูกผิดเมียเขาอีกนะลักทรัพย์ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อีกต่างหากคิดว่าตัวเองบูชาลกราบพระและสวดมนต์และนั่งสมาธิละมีใบเบิกทางในการทําความผิดทุกอย่างมันไม่ได้นะเราต้องเป็นผู้ที่ เอาคุณธรรมที่เราบูชาบูชาเขาเนี่ยมาสมัยจิตปฏปิบัติจริงๆในใชีวิต<ช>เลยใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับว่าอคุณอ่บูชาเสร็จแล้วนะขอให้ฉันพ้นผิดคุณไม่ทําความผิดอะไรมาก็ได้คุณก็บูชาแล้วขอให้ตัวเองพ้นผิดอย่างเงี้ยเมืนบบอนพระเ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพก็ขอเลยตะกฆาแด่เทพเจ้าแห่งต้นไม้โพขอให้เราเป็นสมาสมพุทธะนะระบบอของกรรมจะผิดพลาดไปหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้อง เรียกว่ามันให้สิ่งผเออให้ทําให้ถูกกว่าว่า ง, งั้นเถอะทําให้ถูกตามความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งการใช้ทรัพย์จ่ายอย่างนี้ถือว่าทําได้นะแล้วในรายละเอียดที่ลึกขึ้นซึ้งขึ้นไปพระพุทธเจ้าก็พูดถึงข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ อ, อสัมประยาภพใช่ไหมไอ้ทรัพย์ตรงเนี้ยเป็นการเพื่อที่แค่ที่ธรรมคือในภพปัจจุบันสัมประยภพพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องศรัทธาเหนือเรื่องศีล เรื่องจาคะเรื่องปัญญาซึ่งมันลึกซึ้งกันกว่าขึ้นไปขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับอย่างนี้สมสมควรสมควรที่จะบูชาด้วยใช่ไหมครับพระพุทเจ้าไ่างทีต่างก็ต้องใส่การไว้ทางการกลุ่มก็ออกมาก็ต้องผู้ตามพระเจ้าแหละพระุทธเจ้าพูดไว้อย่างนี้เราก็พูดตามเพราะฉะนั้นถ้าใครจะใช้ทรัพย์ในการบูชาเทวดาก็สามารถทําได้นะแล้วก็อันนี้ต้องดูด้วยนะว่า พระเจ้าตรงนี้ไม่ได้ระบุคำ ว, ว่ า, าให้ใช้สมควรด้วยเหตุผลอย่างนี้นะแต่ในกรณีของอาการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองอย่างเงี้ยให้บริหารจัดการให้เหมาะสมอันนี้ได้พูดอยู่ครับอืมได้อนนตอบทีนี้มอีอีกหนึ่งคำถามนะครับจากาท่านที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัติ เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เหมือนกันครับท่านอบอกว่าการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อช่วยญาติถ้ากรณีที่ญาติไม่ค่อยมีศีลหรือช่วยแล้วก็ชอบมาขอบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำใจเช่นอไม่มีการโทรศัพท์มาถามทุกสุกรอกแต่จะโทรมาเมื่ออยากได้เงินก็จะโทรมาขอเงินนะครับคือกรณีนี้เนี่ยคุณผู้ศึกษาบอกว่าเราควรจะนาเงินเนี่ยไปถวายวัด แล้วก็ถวายพระที่ดีด้วยเจตนาว่าจะบำรุงพระศาสนาหรือไปช่วยชาติช่วยผู้ประสบอุทุกภัยน่าจะดีกว่าคือมีบุญกุศล ส, สูงกว่าที่จะให้ญาติที่ไม่ค่อยมีสิญยิ่งถ้าน่าจะให้อธิบาแนะนำนะขอแนะนำะโดยการใช้หลักพุทธภาสนาอย่างนี้ดีกว่าว่าคือถ้าพุทธชาติตรัสเอาไว้ว่ามีได้หรือให้มีเนี่ยนะเราก็ควรจะมีะแต่ถ้าคุณผู้ศึกษาปฏิบัต ใช้จ่ายในทางนั้นแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็แบ่งสัด ส, ส่วนให้ถูกต้องก็แล้วกั น, น, นในสัด ส, ส่วนที่เราจะสบายใจอย่างการให้ญาติส่งเครายญาิเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำแม้ว่าเขาจะไม่ดีดีมากดีน้อยอย่างนี้นะเราก็ให้ปริมาณที่เรารู้สึกสบายใจอาจจะให้น้อยหน่อยหรือให้ในปริมาณที่เรียกว่าเราพอจะให้ได้ในส่นว น, น ก, ก, ก็คือทาบัตเจบางกันเถอะ ค, คือเดือดร้อนคงไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว แต่ว่าประเด็นที่เขาถามนี่คือว่าควรจะนําเงินนี่ไปให้คนอื่นดีกว่าไหมแล้วก็ไม่ต้องให้ญาติเลยไม่ให้ญาติเลยแม้แต่แสดงแดงเดียวอย่างเงี้ยก็ในความเห็นอาตมาว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าควรให้ก็ควรให้ก็ให้น้อยหน่อยก็ได้ถ้าเราเห็นว่าบุคคล น, นั้นไม่ได้เป็นเนื้อหนาบุญอย่างเงี้นะซึ่งถ้าเราแบ่งสัดส่วนให้ถูกนะสั์ ส, ส่วนที่มีมากหน่อยก็เอาไปให้ช่วยเหลือสิ่งอื่นที่เราคิดว่าเห็นสมควร ส่วนนี้ถ้าเข้ามาขอเราก็บอกว่าได้ทำํำงบประมาณว่าอย่างนี้มีเรื่องใช้จ่ายตอนนี้แบ่งให้ได้เท่านี้นะก็จบไปอย่างนี้คแค่นั้นเองมันก็มีเหตุผลหลายประการที่เราจะเอาตัวรอดไปได้แล้วก็เหมาะสมเขาก็ไม่เกลียดเราเราก็ช่วยสงเคราะห์เขาได้ทั้งสองทางทางอื่นก็ช่วยด้วยญาติก็ช่วยด้วยเขาก็สบายใจเราก็สบายใจไม่บีบเบนใครทั้งสิ้นเลยก็แบ่งสัดส่วนให้ถูกกันแล้วกันเป็นผู้ที่เรียกว่าพระเจ้าใช้คําว่า เป็นผู้ที่จัดการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมเหะมาณนี้ครับครับครับพอคําตอบของข้อนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อนาบุญเข้าจว่าเวลาน่าจะไม่พอนะครับอาจารย์อาจจะยกไว้เป็นตอนถัดไปก็ได้เหมือนกันคิดว่าตอนตัดไปก็จะพูดเรื่องเนื้อนาบุญที่ติดค้างกันเอาไว้ครับจริงๆเรื่องของเนื้อนาบุญเนี่ยก็ใช้หลักของศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นหลักในการที่จะใบให้ทูกฟังฟังก่อนตอนแรกนี้ครับครับ แล้วก็ในเพียวธรรมะ er ama, พักออนไลน์ตอนนี้ที่เราได้จัดจัดกันมาตอนนี้ก็เป็นตอนที่ยี่สิบเก้าแต่ห น, น้าจะเป็นตอนที่สามสิบก็คิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นำธรรมะหลายๆหมวดนะมาให้ท่านผู้ฟังฟังก็เลยคิดว่าจะอัปเดตให้ฟังถึงกิจกรรมที่ทาง p พ e ยว h ร m ม .com เนี่ยได้มีอยู่ในตอนนี้บ้างักหน่อยดีกว่าเนาะว่าในช่วง ตั้งแต่ออกพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษานี้มาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าหลีกเล่นปฏิบัติธรรมที่วัดป่ารังไนโศกอยู่ทุกเดือนทุกเดือนการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมนี้ก็ทํามาครั้งนี้เป็นครั้งที่ยีสิบเก้าเหมือนกันแล้วก็ประสบความ <c oughs> สมําเร็จได้อย่างคิดว่าดีทีเดียว <c oughs> เราได้นําเรื่องของพุทธวจนะม า, าแยกแยะแจกแจงให้เป็นหลักสูตรขึ้นมาได้แล้วก็มีผู้ที่สนใจเยอะขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะมาหลีกเล่นปฏิบัติอย่างแท้จริงนอกจากศึกษาคำสอนแล้วยังได้ปฏิบัติด้วยเนี่ยก็ขอแนะนำให้มาที่วัดป่าด้อนไหนโศจะได้สมัครยังไงครับท่านก็ไปที่เว็บไซต์ห ok. ลวงพ่อ .com หลวพ่อ .doctor. com ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่<อ>ส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่างานกระจายเสียงทางที่อย่างประเทศไทยเราก็มีก็คือให้มีเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ ช่วงก่อนเข้าพรรษานี่ก็มีทั้งหมดเจดวันออกพรรษาไปแล้วก็จะมีอีกเจ็ดวันอ่าที่หนึ่งมีเวันบ้างนั่นเถอะเจ็วันนี้คือจันทถึงอาทิตย์เขาเลยใช่ไหมครั บ, รบเลยตีห้าถึงตีห้าครึ่งทุกวันมาครึคร่งชั่วโมงทสถานีวทิยทยุกระจายเสียงของประเทศไทยซึ่งมีแม่ขายไปทั่วแหละนั้นก็ให้ติดตามฟังได้ออกพรรษาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงบอกตอนนี้อาจจะไกลไปคือจะแจ้งให้ทราบว่าในเจ็ดวันเนี้ก็จะมีหลวงพ่ออ่าดรสะอาดนะวันหนึ่ง <C> e <at> วันหนึ่งก็จะเป็นการสาธยายพุทธวจนะให้ฟังอีกสามวันก็จะเอาพุทธวจนะนั้นมาอธิบายวันหนึ่ง <C> e <at> อีกวันหนึ่งอาจจะเรียกใครมาสัมภาผัสคุยธรรมะกันอะไรอย่างเงี้ยในวันหนึ่งอ า, าจรรมาก็จะอธิบายธรรมะเองสาวัติก็จะเป็นการสักษา ค, กคุณเตือนใจอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่ได้วางแผนเอาไว้ในลักษณะนี้ครับและมีรายการภาษพอังกฤษด้วยใช่ไหมครับโอ้ใช่แล้วก็รายการภาพภาษาอังกฤษ พูดถึงแล้วเดี๋ยวต้องไปบันทึกรายการภาพภาษาอังกฤษซะหน่อยก็คือว่ามีทุกสัปดาห์ขอไปมีทุกเดือนเดือนละสองครั้งคือวันอาทิตย์ที่สกับวันอาทิตย์ที่5ของเดือนซึ่งรายการภาพภาษาอังกฤษนี้ถ้าสัปดาห์ไหนมีอาทิตย์ที่5้าวันอาทิตย์ตอน8ปมงเช้า -8 ึงแปครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้ฟังธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษได้ครัง เรื่องคลื่นนี้ก็เปิดหาเอาท่านก็คิดว่ารายละเอียดมีอยู่ในเพอยธรรมะ닷คอมนี่แหละครออก็หาอ่านัฟังหาได้ได้เวบนะครับแล้วก็ในช่วงภาษานี้เขาคิดว่าให้ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยได้รารอความเพียรบูชาพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอย่างน้อยก็จะเป็นผลดีกับชีวิตของเราเองสร้างสมความดีทาความดีชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนมาดตพงเอ้ยเนาะ มีมีความเรียกว่าไม่ได้นอนให้เห็นชัดๆัดแบบชัดชัดแจ้งแจ้งกันจริงๆเลยนะครับ<ช>ครับโดยเฉพาะอย่างเล็กของอากาศเนี่ยโหแบบว่าแปรปรวนกัน ใ, นใช่ไเดี๋ยวนี้นะที่อุดรธานีเนี่ยวันหนึ่งมีสามฤดูครับนะเอ่อฝนตกตอนกลางคืนเช้ามาหนาวเลอเกินตอนกลางวันแดดออกเปรี้ยงเปรี้ยงนะฝนร้อนหนาวในวันเดียวกันหมดโอ้โหปรับตัวกันแทบไม่ทันครับ ก็เป็นความเป็นอนิจจั์ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับก็ก็ขอเออแล้วก็ค่อยมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับเอาหน้าเล็นตอนที่สาสิบนะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับท่านผู้ชมก็กราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไอส่งนะครับนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ